เวลาเราเริ่มปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องเริ่มด้วยความสบายอย่าไปเริ่มว่าเรากําลังอ่ะเดี๋ยวเราจะปฏิบัติธรรมแล้วไม่ใช่แบบนั้นเหมือนพี่จะนั่งขยับมือใช่ไหมผมก็จะบอกว่าพี่นั่งสบายๆนั่งเก้าอีท้ที่ที่จะไปขยับมือ น, นั่งสบายๆก่อนพอนั่งสบายๆ ส, สังเกตจิตใจนี่เป็นยังไงเริ่มสงบระงับหรือ ย, อยังเริ่มปกติหรือ ย, อยังพอเห็นจิตใจก็เริ่มสงบระงับสบายผ่อนคลาย เริ่มปกติอ่ไม่มีอะไรเราก็ค่อยเริ่มขยับพยื่นมือเราออกไปขยับนี่แล้วหยุดสัมผัสความรู้สึกหยุดนั้นแล้วก็ค่อยเคลื่อนต่อสัมผัสความรู้สึกหยุดนั้นค่อยเคลื่อนต่อไปเรื่อยๆพอเราเริ่มจากความสบายได้ที่เหลือมันก็จะสบายแต่ถ้าเรามานั่งปุ๊บอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวจะขยับมือของพ่อเทียนวันนี้เสเสร็จเลย อันนี้มันตั้งท่าปุ๊บ ม, มันจะเกร็งพอมันเกรงปุ๊บ ม, มันจะเพง่งเพราะมันคิดว่ามันต้องทําอะไรมันคิดว่าเราจะขยับมือนะัอะไรแบบนี้ไม่ใช่เราอย่าไปทําแบบนั้นเรานั่งสบายสบายผ่อนคลายสักพักหนึ่ง1 น, นาที2นาทีอ่าโอเคสบายแล้วเดี๋ยวจะลองขยับมือสักหน่อยขยับมือก็ไม่ได้หมายาว่าเราจะปฏิบัติเราแค่จะเคลื่อนไหวให้ใหเราไม่เคลิมไปเขาเรียกว่าให้เคลื่อนไหวไม่ให้เกิดความซ้ํำซากจําจเจของอารมณ์ เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันนั่งเฉยๆเดี๋ยวมันซึมเราไม่ให้โมหะมาครอบจิตเราแล้วก็เลยจะขยับมือแค่นั้นเราไม่ได้หวังจะได้อะไรจากการขยับมือเราขยับมือเพื่อความให้มันมีความตื่นตัวให้มีความตื่นรู้ขึ้นมาให้มันไม่ซึมให้เราคิดอย่างนั้นก็พอต้องเลิกความรู้สึกว่าเราจะนั่งปฏิบัติไม่เอาแบบนั้นเวลาเดินเนี่ย ไปยืนท okay. ังหัวจงกลมเนี่ยยืนสบายๆหยุดยืนหยุดลมหายใจสบายๆที่ผมบอกว่าหยุดลมหายใจนี่ไม่ใช่ไปกลั้นหายใจนะให้มันหายใจธรรมดาน่แหละแต่มันจะมีช่วงหนึ่งของปลายลมหายใจที่มันจะยังไม่ต้องการลมหายใจเข้าช่วงนั้นแหละมันจะหยุดแล้วมันหยุดเป็นธรรมชาติโดยที่เราไม่ได้ไปกลั้นมัน ตรงนั้นเนี่ยเราจะยิ่งสัมผัสความหยุดที่แท้จริงความเป็นปกติที่เป็นเงียบเชียดมันลาบเรียบมันไม่มีอะไรมันสบายมันนุ่มนวลมันอ่อนโยนแต่ปกติแต่หนักแน่นแต่ไม่มีน้ำหนักมันโอ้โหอธิบายยากหลายอยา่างต้องไปลองเองใช่ไหมปลายลมหายใจแบบนั้นเราไม่ต้องการลมหายใจเข้าเนี่ยล้วก็สัมผัสมันแล้เดี๋ยวเราหายใจเข้าปึ๊บ แล้วเราก็โอเคเรารู้สึกว่าพอแล้วในการคืนสงบนิ่งยืนหยุดแบบนี้เราพอแล้วแล้วก็เดินก็เดินธรรมชาติไม่ใช่เดินว่าฉันจะเดินเพื่อจะรู้สึกตัวไม่ใช่แบบนั้นเดินธรรมชาติมันก็รู้สึกถึงอาการเขาเรียกว่ารู้สึกถึงปรามัตดก็คืออาการที่ในตัวเนี้มันเคลื่อนอยู่เรารู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของร่างกายเฉยๆเหมือนถ้าผมบอกว่า ให้พี่ลองหลับตาแล้วก็ยกมือขึ้นค่อยๆยกมือขึ้นแล้วพี่จะสัมผัสว่าอ๋อมีอาการเคลื่อนใช่ไหมของมือใช่ไหมที่มันขึ้นแล้วพอเราเคลื่อนลงเราก็รู้สึกถึงมีอาการเคลื่อนของแขนเราอยู่ใช่ไหมเวลาเรารู้สึกตัวรู้สึกถึงอาการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือว่าพูดสั้นๆว่ารู้สึกตัวรู้สึกร่างกายเนี่ยมันคือรู้สึกแบบอันนี้แหละรู้สึกถึงอาการเคลื่อนของมันเฉย ความรู้สึกแบบนั้นแหละที่เขาเรียกว่าปรมัดเราไม่ใช่ว่าไปเพ่งกายไม่ใช่ไปดูกายเรารู้สึกเฉยๆถึงอาการความเคลื่อนไหวของมันพอเรารู้ว่ารู้สึกแบบนี้ก็พอแล้วเนี่ยเราจะไม่ตั้งเป้าเพราะมันเป็นธรรมชาติความรู้สึกของการเคลื่อนไหวของร่างกายนี่มันมีอยู่แล้วถูกไหมสิ่งที่ผมบอกให้รู้สึกให้สัมผัสหรือว่าให้พูดคาว่าเห็นเนี่ย มันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วทางนั้นเราแค่ให้ความสนใจมันหน่อยกค่นั้นเองเดิมแล้วไม่ยอมสนใจมันเราสนใจแต่จะไปหลงในความคิดอย่างเดียวทีนี้พอเราเริ่มเดินใช่ไหมแล้วก็เดินสบายๆอ า, าที่ผมบอกก็รู้สึกอาการเคลื่อนไหวของร่างกายไปแล้วพอถึงจุดที่หยุดก็เหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนในคลิปที่ผมพูดเรื่องหยุดเพื่อตื่นล้วก็ทาแบบนั้นแหละแล้วพวจะสบาย หยุดก็สบายเดินก็สบายหยุดอีกก็สบายเดินอีกก็สบายมีแต่สบายอย่างเดียวเราจะไม่รู้สึกว่าเราเพ่งเราจะไม่รู้สึกว่าเราเกงเเ ร, กเรเกง เ, เราจะมีแต่ความผ่อนคลายเดินไปชั่วโมงหนึ่งกอันนี้ก็แป๊บเดียวฟังคลิป YouTube ไปด้วยอันนี้ก็ก็ฟังแบบไม่ต้องฟังอันนี้เปิดไว้ให้จิตเนี่ยมันเข้าเคลียร์กับธรรมะแล้วเดี๋ยว เวลาปฏิบัติไปเนี่ยจิตมันมีสมาธิมันอยู่กับความเป็นปกติอยู่เนี่ยเดี๋ยวธรรมะตรงไหนที่มันแมชกันพอดีกับจิตหน้าตอนนั้นเนี่ยมันจะฟังขึ้นมาเองแล้วมันจะเข้าใจลึกซึ้งเลยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยประมาณที่ผมจะพูดอีกคำานึงใช่ไหมรู้ทุกสิ่งตามเป็นจริงคือเป็นอะไรก็ได้ดีไม่ดีก็ได้แต่เรารู้อยู่มันเป็นอย่างนี้อยู่ แค่นั้นเราไม่ได้ไปให้ค่าให้ความหมายว่าอย่างนี้ไม่ดีเราไม่เอาอย่างนี้ดีเราจะเอาไม่ใช่แบบนั้นเราไม่ให้ค่าไม่ตัดสินอะไรอะไรเกิดเราก็รู้ก็เห็นด้วยจิตที่เป็นกลางกับมันเราก็สบายใช่ไหที่ผมบอกถ้าเราไม่ตัดสินอะไรเราสบายไม่สบายจะตายเพราะพอเราไปตัดสินว่ามันไม่ดีเราจะคิดหาทางแก้ใช่หเป็นทุกข์แล้วแต่ถ้าเรารับได้กับทุกสิ่งที่มันผ่านเข้ามาสบายจะตายใช่ห เรอาอก็ได้รู้ได้เห็นสิ่งต่างๆที่มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปดีหรือไม่ดีผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนกันเอาอะไรไว้ไม่ได้ที่ว่าดีจะเอาไว้ก็ไม่ได้อยากได้อีกมันก็ไม่มาอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็จะเห็นความเป็นจริงว่าสภาวะใดๆก็ตามมันผ่านมาแล้วมันก็จะผ่านไปควบคุมบังคับอะไรเอาไว้ไม่ได้เราก็จะเข้าใจไตรลักษ อัตโนมัติเลยเราไม่ต้องไปหาว่ามันอยู่ไหนหรือไม่ต้องไปว่าเราเห็นหรือยังไม่ต้องเห็นไม่ต้องหามันเห็นเองถ้าเรามีความเป็นปกตินี่อยู่เราไม่ตามความคิดไปเรารู้สึกตัวอยู่มันเห็นเองไม่ต้องไปควายคว้าหามันยิย่งไปขวายคว้าหามันจะเกิดตันหาจะเกิดความทุกข์แล้วแล้วสิ่งที่เห็นภายใต้ตันหาภายใต้ตัวตน ที่ผมพูดบ่อยๆว่าภายใต้ความมืดนั้นน่ะสิ่งที่เห็นนั้นน่ะไม่มีทางเป็นของจริงได้ถึงมันจะพูดว่านี่เป็นไม่เป็นเปลี่ยนแปลงจริงๆด้วยมันมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตามันคิดเอาถึงสิ่งนั้นพูดออกมาจะเป็นเป็นสัจธรรมของไตรลักษณ์แต่มันก็ไม่ใช่ของจริงอยู่ดี <c oughs> เพราะฉะนั้นพื้นฐานของความเป็นปกติ ผลิตะโลกองความคิดอันนี้สำคัญมากเราจะเห็นอะไรเราจะเห็นได้จริงสิ่งที่เห็นเป็นการเห็นภายใต้ความไม่มีตัวตนมันเหมือนเรากำลังขุดหาขุมทรัพย์อะระหว่างที่เราขุดหาขุดหาขุดหาเนี่ยบางทีมันก็ท้อบางทีมันก็สงสัย เอ๊ะมันใช่ไหมเอ๊ะมันผิดทางไหมเพราะว่าเรายังไม่เคยเจอขุมทรัพย์นั้นเราเลยไม่แน่ใจว่าไอ้ทางที่เราเดินเนี่ยมันถูกไม่ถูกมันใช่ไม่ใช่อะไรแบบนี้ mm hmm. ผมเลยบอกว่า mm hmm. การที่เราต้องสนทนาธรรมคุยกับครูบาอาจารย์ฟังธรรมมันถึงเป็นองค์ประกรอบที่สําคัญมากเพราะมันจะช่วยเราให้เราผ่อนคลายลงให้เรารู้สึกมีกําลังใจมากขึ้นให้เรามั่นใจว่าเรากำลังเดินไปถูกทาง เวลาที่เราสามารถปฏิบัติทําได้คือเวลาที่เราผ่อนคลายเป็นปกตินั่นแหละคือเวลาที่ปฏิบัติทําได้จริงแต่ในเวลาที่เราถูกกิเลสถูกอวิชชาครอบงำแล้วเวลานั้นปฏิบัติทําไม่ได้ที่ผมบอกสิ่งที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงแล้วเพราะมันเห็นภายใต้เลนของความที่มีตัวตนไปแล้วมันจะมีทิฏฐิมีอคติเข้าไปตัดสินเข้าไปให้ค่า ถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนสัจธรรมแต่มันก็ยังไม่ใช่ที่ว่าเห็นมันเลยบอว่าเห็นไม่จริงเนี่ยมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมที่มันละเอียดอ่อนมากผมถึงพยายามเน้นมากถึงพื้นฐานที่สำคัญมากคือความเป็นปกติที่ทุกคนจะต้องเห็นก่อนแล้วก็มีแล้วสิ่งต่างๆมันถึงจะพัฒนาไปได้ไม่ใช่ง่ายที่ว่าคนคนนึงเนี่ย ที่แม้กระทั่งศรัทธานในศาสนาพุทธอยากจะพ้นทุกข์แล้วตั้งใจปฏิบัติแล้วเนี่ยจะมีบุญพอจะเจอทางที่ถูกด้วยอันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายการอ่านหนังสือของผู้รู้เนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยเราอ่านรอบนึ่งแล้วเราปฏิบัติไปแล้วมาอ่านใหม่เราจะเข้าใจไม่เหมือนเดิมเลยความเข้าใจมันจะลึกซึ้งลึกซึ้งมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับหลวงพ่อชาเนี่ยเคยอธิบายอธิบายดีมากเลยแบบว่า มีคนมาพูดบอกว่าศาสนาพุทธมีแค่นี้เหรออะไรประมาณเนี้หลวงพ่อชาบอกว่าพื้นดินเนี่ยมีรูอยู่รูเนี่ยลึกเมตรหนึ่งแต่มือเราเนี่ยยาวแค่ครึ่งเมตรสมมุติแล้วเราก็ล้วงมือนี้ลงไปในรูอ่ะเราก็ลงไปได้แค่ครึ่งเมตรแล้วเราก็บอกว่ามันไม่มีอะไรนี่แบบนี้อันนี้เหมือนกันความเข้าใจในธรรมะก็เหมือนกันจิตใจมีระดับ ภูมิธแค่นี้เราก็เข้าใจได้แค่นี้แต่วันหนึ่งที่เราภูมิทําเรามากขึ้นไอรูเดินเะนี่ยหรือเนื้อหาเดิมเนะี่ยเราจะเข้าใจมันมากขึ้นลึกซึ้งขึ้นเพราะว่ามือเรายาวขึ้นแล้ว